ทุกท่ที่เคารพคะและเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมกันตามควรแก่เวลาแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมานมันการพระจาจาร์ครึกฤทธิ์โสดทิพโลท่านเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงลำลุกกาคลองศิงจังหวัดปทุมธานีคะ่ะเรามานวัสการท่านก็พร้อมกันก่อนนะคะ ท่านผู้ชมคะสำหรับรายการของเราเนี่ยการบันทึกเทปในทุกครั้งขณะนี้เราบันทึกกันที่วัดนาป่าพงเลยนะคะซึ่งมีหลายครั้งค่ะที่วัดก็จะมีผู้มาปฏิบัติธรรมกันอยู่เสมออย่างกับเช่นวันนี้จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจากก ร, ร, ร, รมส่งเสริมสหกรรมกระทรวงสาหกรรมนะคะแล้วก็เราก็อยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสถามคําถามที่ท่านสงสัยแล้วก็ยังจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอีกด้วย ก็คงจะขอโอกาสท่าอาจารย์ให้กับคณะผู้ปฏิบัติธรรมนะคะนนค่ะเมื่อสักครู่ดีฉันได้ยินว่ามีคำถามรบกวนใกล้ๆได้ไหมคะดาอาจารย์ว่าข้ออย่างคระไคื่ อ, อของการที่จะให้หลุดพ้นจากสังสารวัตครับ เ, ออเครื่องมือที่จะให้หลุดพ้นจากสังสารวัตก็คืออริยมัคคีองแปดพระตถาคตเปรียบเหมือนพระองค์เนี่ยไปค้นพบรอยทางเก่า ซึ่งพระหลานทศสา ม, มาสัมพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยก็เคยค้นพบมาแล้วทั้งสิ้นรอยทางเก่าวนี้ก็คือมักมีองค์8มักวิธีต่างๆเนี่ยที่ผู้เจ้าบอกสอนมาเนี่ยก็จะแตกรูปไปจากมักมีองแปดเกือบทั้งสิ้นตัวมักมีองค์8จึงเป็นเครื่องวัดว่าทําวิไนนั้นเนี่ยจะมีความพ้นทุกข์ได้จริงหรือเปล่ามีพระหลา์ได้จริงไหม ก็วัดจากมรรคเงแดทั้งสิ้นมรรคเมลงแปดยังเป็นข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นตัวมรรคแปจึงเป็นข้อปฏิบัติกายวาจาใจข้อปฏิบัติหลักนะในการที่จะพ้นจากความทุกข์มีประเด็นอื่นไหมค่ะสำหรับมรรคเงแปดเนี่ยา ท่านที่ยังไม่คุ้นเคยเลยอยากจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์ถึงสาระโดยย่อนะคะเออถ้าพูดโดยย่อของมรแปดก็คือสมถาวิปัสนาจิตนิ่งเห็นเกิดดับนั้นถ้าจิตเรานิ่งก็คือสงบสมถะแปลว่าสงบอธิกรเรื่องราวอธิกรณะสมถะอธิกรสงบคือเรื่องราวสงบนะ พายุสงบหรือใจสงบนี่คืออารมณ์สงบจิตปกติจะวิ่งวนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้แต่เราให้จิตมาอยู่กับกายหรือลมหายใจเฉยๆเรียกว่ามันสงบสงบจากอารมณ์อื่นนะมามีอารมณ์อันเดียวจึงถูกเรียกว่าสมถะสงบนะส่วนวิปัสสนาก็คือขณนะที่จิตเกาะอยู่สงบอยู่กับขันขันเดียวเนี่ยธรรมชาติของจิต ไม่อยู่นิ่งจิตที่เกิดแล้วจะเดินไปสู่ความดับดับแล้วจะไปกาะ อ, อารมณ์ใหมนะ่เมื่อก่ออารมณ์ใหม่ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมชาติที่มันเคยก่อนเนี่ยดับไปธรรมชาติใหม่เกิดขึ้นเราอาจจะเพลินไปสักพักหนึ่งมีความรู้ตัวมีสติกลับมาที่ธรรมชาติเดิมคือลมหายใจนมามธรรม ที่จิตไปเกาะเมื่อสักครู่ก็จะดับไปลมก็จะเกิดขึ้นใครเห็นเนี่ยดับเกิดดับเกิดอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นวิปัสสนาคือรู้ว่านี่คือสัจจคความจริงของระบบธรรมชาติอันนี้ว่ามีการเกิดและมีการดับไปเป็นธรรมดาเรียกสมุทัยกับนิโรธ น, นี่คือปัญญาหรือเรียกว่าวิปัสสนาแล้วนั่นก็คือจิตนิง่งสมถะ แล้วก็เห็นเกิดดับขณะที่มันเคลื่อนไปมาเป็นวิปัสนานี่คือสองสิ่งที่เราจะต้องรู้ต้องเห็นและสองสิ่งนี้คือมักมีวงแปดคนก็เลยบอกว่าเอ้าก็นไหนบอกมีแปดแล้วทำไมเหลือแค่สองอย่างแปดเลยไม่มีอะไรกันเลยคะถ้าแดอย่างเนี่ยนะสองอันแรกเนี่ยสงงคะห์ในส่วนของปัญญาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปนะนี่ ความเห็นถูกต้องกับคิดถูกต้องนี่เป็นปัญญาส่วนสมข้อกลางเนี่ยสงเคราะห์ในส่วนของศีลก็คือสัมมาวาจาสี่อย่างไม่พูดโกโหกคำหยาเพื่ อ, อเจรศเสียดสัมมากรมันตะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมเห็นไหเกี่ยวกับกายกับวาจาแล้วก็สัมมาชีวะนะเลี้ยงชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนอันนี้คือในส่วนของศีล น, นะ ซึ่งคือข้อปฏิบัติทางกายกับวาจา3ามข้อท้ายเป็นส่วนของสมาธิสั ม, มาวยายมะสา ม, มาสติสา ม, มาสมาธิสา ม, มาวยายมะคือความเพียรสา ม, มาสติคือการระลึกที่ถูกต้องระลึกในกายเวทนาจิตธรรมและสา ม, มาสมาธิคือการเข้าฌานหนึ่งฌาน2ฌาน3าฌาน4นะสามอย่างนี้ส่งคลอในส่วนของสา ม, มาสมาธนะินั่นนี่ก็คือศีล ปัญญาศีลแล้วก็สมาธิอย่างนี้หรือว่าเรียกง่ายๆสลับก็เรียกศีลสมาธิปัญญาก็ได้แต่จะร้อยเรียงเรื่องไม่ถูกนะถ้าจะบัญญัติเป็นส่วนสามผู้เจ้าจะบัญญัติศีลสมาธิปัญญา <c oughs> แต่ในตัวมรรคแเนี่ยจะขึ้นปัญญาตามด้วยศีลและตามด้วยสมาธิ <c oughs> ถ้าจะบัญญัติสองผู้เจ้าจะบัญญัติสมถ า, าวิปัสสนาคือสมาธิก่อนและปัญญานั่นแสดงให้เห็นถึงว่า จะเริ่มจากปัญญาก่อนก็ได้จะเริ่มจากศีลก่อนก็ได้จะเริ่มจากสมาธิก่อนก็ได้อือันนี้ง่ายมุมน่าสนใจมากขออนุ ญ, ญาตพูดกับท่านชมอีกสักนิดนึงค่ะเพื่อให้เข้าใจโดยสรุปว่าวันนี้เนี่ยมีคาถามจากท่านผู้ปฏิบัติที่มาจากกลมส่งเสริมศาสร ก, กรรมน่าสนใจมากว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสสอนอะไรให้เดินออกจากทุกข์ใช่คะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็เลยบอกว่า เป็นเรื่องของมั่งมี่งองแปดเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์คิดขึ้นเอาเอง uh huh. หรือว่ารู้แต่เพียงผู้เดียว uh huh. แต่ว่ามีอยู่ก่อนแล้ว uh huh. แล้วส่งมาค้นพบถูกไหมคะ uh huh. เป็นรอยทางเก่า uh huh. เป็นรอยทางเก่าค่ะและเมื่อถามท่านอาจารย์ให้ตอบแบบย่อท่านก็บอกว่ามั่งมิองค์8เนี่ยย่อแล้วพระพุทธองค์ประกาศแค่สองนะคะคือสมถะวิปัสนาส่วนถ้าตอบทั้ง8ดจะขึ้นต้นด้วย ในส่วนของปัญญาก่อนอนะคะก็คือสัมมา <c oughs> สติสัมมาสังกัปปะแล้วก็ค่อยมาในส่วนของศีลนะคะสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาอะไรหายไปอันหนึ่งคะ่ะว่าจาร์าา น, นี้ในส่วนของศีลกรรมต ะ, ะและพระอาชีวะแล้วพอไปส่วนของที่สามนะคะก็จะเป็นส่วนของสมาธิซึ่งจะเริ่มที่ความเพียรวายามะแล้วก็สติแล้วก็สมาธิแล้วสุดท้าย มีหมวดสามซึ่งเป็นเรื่องมากแตกเหมือนกันแต่ไม่ย่ออยู่ในศีลสมาธิปัญญาและทําให้เห็นว่าจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนก็ได้จะเริ่มต้นที่ศีลก็ได้จะเริ่มต้นที่สมาธิก็ได้จะเริ่มต้นที่ปัญญาก็ได้ฟังดูแล้วพระพุธองก็ตรัสสอนได้สั้นมากนะคะก็มีสอนทุกรูปแบบเพื่อให้ให้เหมาะกับอินทรีย์บารมีแต่ละคนค่ะบางคนหนักไปทางสมาธิหนักไปทางปัญญา หนักไปทางศีลหนักไปทางศรัทธาอย่างนี้แล้วแต่มีท่านชี้แนะเลยไหมคะว่าคนประเภทนี้ต้องใช้วิธีมัดอย่างสองข้อหลักสองบดหลักไม่ไม่ชี้ไปที่ประเภทของคนอ๋อค่ะเพราะว่าเราเราพยากรอดีตตัวเองไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครมียานอย่างรู้อดีตได้ ลึกซึ้งแบบพระพุทธเจ้าน <c oughs> ะก็คือไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นโดยหลกักพระเจ้าจะบอกวิธีที่สะดวกสบายที่เป็นสุขาปฏิปทาที่เป็นมรรควิธีที่ง่ายเอาไว้ <c oughs> นั่นคือมรรควิธีที่พระองค์สรนเสริญพระองค์บอกมหาชนจะเดินตามที่พระเจ้าสรนเสริญไว้หมายถึงว่า <c oughs> ในมรรควิธีนั้น ท่านท่านพูดแบบนี้หมายความว่าพระพุทธองค์มีกี่วิธีหรอคะหมายถึงว่ามีทางเลือกอื่นไหมนอกจากมัสมีองแปดอย่างนั้นหรือเปล่าคะในมัส ม, มีองแปดมี อ, อกระจายย่อยไปอีกหลายวิธีไงอ๋อคือหมายถึงว่าอย่างไรก็รวมอยู่ในมัสมีองแปดเพียงแต่ว่าจะเป็นวิธีใดที่จะทําให้สําเร็จมัสมีองคแปดเท่านั้นเองอใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าคนทั่วๆไปอย่างนี้ล่ะคะท่านที่บอกว่าพระพุทธองค์ทรงสนรเสริญวิธีที่ง่ายอา วิธีที่ง่ายของพระพุทธองค์นั่นคืออะไรค ะ, ะวิธีที่ง่ายคือการพิณาผัสสะง่ายในที่นี้คือง่ายในการบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานการพิณาผัสสะพระองค์บอกว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานสังการสังเกตมรรควิธีที่ง่ายให้สังเกตว่าหนึ่งผู้เจ้าพูดบ่อยสอนบ่อยผู้เจ้าเน้นอะไรบ่อยแสดงว่าต้องมีความสําคัญมีประโยชน์มากเรื่องมีประโยชน์น้อยจะจะพูดน้อย เรื่องมีประโยชน์มากจะพูดมากนะมักวิธีใดที่พรุทธเจ้าเนี่ยบอกอ น, นิี้สงไม่มากให้สังเกตคุถามเลยได้ไหมคะว่ามักวิธีใดที่พระพุทธองค์ได้ตรัสบ่อยที่สุดค่ะเอ่อเท่าที่เราดูเนี่ยก็คือในเรื่องของการละนันทิคือความเพลินนะในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะนะ มักวิธีที่บอกนี่ส่งไว้มากคือเรื่องของอานาปาณสติมักวิธีที่บอกสอนกับคนแก่คนเจ็บคนป่วยใกล้จะตายต้องเป็นวิธีที่ง่ายสั้นเพราะเขามีเวลาเหลือน้อยคอทําความเข้าใจได้ไม่เยอะเท่าไหร่มักวิธีเหล่านี้ให้ผลในความเป็นอริบุคคลทันที นี่หลักในการสังเกตมกัคคุติที่ง่ายถ้าไม่ป่วยแล้วไปใช้วิธีคนป่วยได้ไหมคะเพื่อดูเหมือนกับว่าง่ายดีอะค่ะท่านคะก็มีตัดไว้มีมัควิธีที่บอกสอนกับคนป่วยแล้วบอกสอนกับคนบุคคลทั่วไปเหมือนกันเก็บทั้งหมดเลยนะนั่สแสดงว่า ใ, <ค>ใช้ได้ขอโอกาสให้ท่านเรียกว่าวธรรมะหประการบอกว่าธรรมะหประการนี้ถ้าไม่ห่างจากคนเจ็บป่วยไข้หรือทุกุรภาพรายใดๆ ผลที่เขาหวังได้คือพระอาหารหันต์ในปัจจุบันนะข้อแรกก็คือเห็นความไม่งามของกายข้อที่สองเห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารข้อที่สมเนี่ยให้วางความพอใจในโลกทั้งปวงนะข้อที่สี่เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายข้อที่หาปรณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในนะความตายนะที่เขาพิจารณาบ่อย เห็นการเกิดดับในภายในใจของเขานะที่แสดงทั้งกับคนป่วยด้วยทั้งกับคนธรรมดาด้วยว่าเป็นมรรคพิธีที่ง่ายค่ะถ้าท่านสนใจแบบง่ายๆนะคะดิฉันจะทบทวนให้ว่าพระพุธองค์ได้ตรัสถึงเรื่องการพิจารณาเห็นความไม่งามในกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารคือกายงามงามที่ต้องมองเห็นไม่งามไม่ได้ ที่พิจารณาเห็นความไม่งามในกายเนี่ยหมายถึงบอกว่าบางคนเนี่ยแหมงามงามอย่างนี้ต้องพิจารณาเห็นความไม่งามให้ได้เหรอคะ อ, อ๋อได้อุจจาระมาก็เห็นแล้วนะคะต้องอต้องมองให้เห็นอยมั น, น, นสังเกตคนะ่ะเห็นปฏิกูลในอาหารอาหารเหลาเลยนะคะเนี่ยนะน่าทานมากอาา่าฮะก็เคี้ยวสัก4ี่หคำแล้วคายออกมาสินะคะก็จะเห็นแล้วเป็นปฏิกูลใช่ไหมค่ะลองเอาไปให้คนข้างๆก็กินมันเนี่ยไม่กล้ากินเนาะค่ะ วางความพอใจในโลกทั้งปวงบางทีเห็นพระอทิตย์บางวันมันสวยอย่างเลยคะท่านคะจังวางด้วยเหรอคะก็รักความเพลินถ้ายังไม่อยากวางรีบรักความเพลินก่อนลรามองยังไงให้ไม่สวยเลยคะท่านวางความพอใจในโลกทั้งปวงมองยังไงให้ไม่พอใจค่ะเอ่อไม่ได้บอกให้ไม่พอใจนะบอกให้วางความพอใจใช่ๆอย่างนันก็มองโลกเศร้าหเศ้าสิคะเอ่อไม่ได้เชิงว่ามองโลกเศร้า แต่มองโลกว่าเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นตีดมันจะเบิกบานนะคะมันมองความไม่สวยมันมองความไม่มีความทีนี้ก็จะเบิกบานด้วยด้วยธรรมไงคือรู้ละว่าโลกเนี้ยเราสามารถมองเป็นมองให้สวยก็ได้มองให้ไม่สวยก็ได้มองทั้งสองอย่างให้เป็นอุเบกขาก็ได้นี่คือปัญญาในขั้นอริยะที่พุทธเจ้าบอกว่ามองของปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลมองของไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกูล มองทั้งของปฏิกูลไม่ปฏิคูณให้อยู่เบรคขาได้อ๋อคือมองกลับทั้งสองทางเลยไม่ใช่มองด้านเดียวไม่ไม่ใช่เห็นแต่ของดีเป็นของเสียซะหมดแต่มองของที่ไม่ดีให้ดีด้วยมองกลับทางกันก็มองได้นะคะแล้วก็ที่ท่านบอกว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสให้อ่าไม่พอใจในโลกแต่ให้วางความพอใจมันต่างกันยังไงก็นล้ค่าฮะก็ถ้าไม่พอใจยมก็ไปเกลียดอสิมันเป็นปฏิคานุสัยอีกแล้วค่ะ แต่ให้วางความพอใจวางราคานุสัยวางความพึงพอใจในสรรพสิ่งต่างๆการที่เราวางความพอใจเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเกลียดมันนเองแค่เราเฉยๆกับมันอ๋อค่ะนะคะเห็นพระอาทิตย์สวยสวยจังเลยเมื่อวานนี้พอวันนี้มีความรู้อย่างนี้แล้วจะมีคําถามอะไรอ๋อค่ะเชิญค่ะเรื่ประเด็นนี้ก็เลยขอเลียดกลับเปลี่ยนถามว่าถ้าอย่างนั้นหลักการในการที่เราจะมองให้เป็นธรรมดาเนี่ย Uh huh. เราพิจารณาหลักการนั้นอย่างไรครับพิจารณาหลักการนั้นอย่างไรก็คือ อ, อ, อันหนึ่งเห็นอส า, าธาลดอร่อยสองเห็นอาทินวะโทษของมั น, นคนที่เห็นแต่อส า, าธาจะติดยึดติดคนที่เห็นโทษจะปล่อยวางได้นี่อย่างหนึง่งการมองเห็นเป็นธรรมดาอีกมุมหนึ่งคือมองให้สุดทางของมันว่าที่สุดของมันเนี่ยมันมีความเสื่อม ขนาที่เสือ่อมคือตัวอาท์ีนวะนั่นเองคนเราเนี่ยมักจะมองไม่จบมองแค่แป๊บแป๊บสั้นๆแต่ถ้าเรามองจบกระบวนการของมันเนี่ยเราจะเห็นโทษของมันด้วยนะนั่นนี่เป็นเป็นวิธีมองครับนะดิฉันชอบนะคะรู้สึกจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับที่บอกว่ามองให้เห็นสุดทางของมันท่านผู้ชมคะดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากสําหรับการที่เราจะต้องฝึกมองสมัย คือมองให้เห็นจนสุดทางของมันท่านลงยกตัวอย่างสักอย่างสองอย่างให้เห็นชัดๆสิค่ะก็อย่างคนเราเนี่ยที่เราเห็นเขาสวยเนี่ยมองสุดทางเขาสิว่าแก่แล้วจะเป็นยังไงครูเจ้าก็ยกตัวอย่างว่าอ่าน้องหญิงผู้นึงนะเป็นบุตรข้าบดีปรามหาสารกษัตริย์มหาศาลข้าบรีมหาศารก็าตามยังอายุสิบห้าสิบหกอ่ะก็ยังสวยสดงดงามแต่พอวัยล่วงเลยไปแปดสิบเก้าสิบอ่ะ ก็มีหลังค่อมน ะ, ะมีเนื้อตัวเป็นจุดน ะ, ะเดินตัวสั่นเทิรมไปข้างหน้านะมีไม้เท้าคำยนันผ่านไว้อันแข็งแกร่งไปแล้วใช่ไหมอ โ, โอ้โหบรรยายโทษเยอะมากามีผมตัดสั้นอย่างโลกลวกนะอย่างนี้ท่านพูดแบบนี้ ดิฉันนึกภาพออกชัดเจนเลยค่ะเนะี uh ่ย huh. ไม่กล้านึกต่อ uh huh. <laughs> ท่านผู้ชมคะ <laughs> นอกจากนี้ก็ยังมีอีกข้อหนึ่งคล้ายๆกับข้อที่ท่านพูดไปแล้วเลยคือข้อที่4ี่ที่เป็นธรรมประการที่4ที่บอกว่าให้เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลาย uh huh. มันก็เหมือนกับว่าอยู่ในการมองให้เห็นสุดทางเหมือนกันใช่ใช่แต่แต่มันได้ตั้งแต่แรกไงตั้งแต่ยังผมยังไม่ทันขาวเราแค่งอกหนึ่งเส้นก็นี่ไงเสื่อมแล้ว ไม่เที่ยงเอ๊ะผมแปลเปลี่ยนไปได้นะนะคะกับสุดท้ายค่ะมีมรณะสัญญาที่อะไรนะคะมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในหมายความอย่างไงคะมรณะคือการตายการเห็นการตายหรือการดับในภายในอารมณ์เนี่ยมันดับไปเนี่ยต้องเห็นสุขเกิดแล้วดับไปทุกเกิดแล้วดับไปความคิดปรุงแต่งเกิดมาแล้วดับไปเนี่ยต้องให้เห็นบ่อย ไม่ใช่ว่าเห็นการตายจริงๆแบบหมดลมหายใจอย่างนั้นหรือว่าจินตนาการ mm hmm. ว่าหมดลมหายใจแล้วไม่ใช่ใช่ใช่ uh huh. อันนี้มีความละเอียดประณีตของถ้อยคานะคะก็คือมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในซึ่งถ้าอาจารย์อธิบายว่าเป็นเรื่องของการเห็นการเกิดดับ uh huh. ไม่ใช่เป็นการตายด้วยกายเนื้ออย่างที่เราเข้าใจกันอย่างนั้นดิฉันยังนึกว่าเป็นการเจริญมรณาสติเนี่ยหมายความว่า ให้คิดถึงว่าเราต้องตายเราต้องตายก็ร ต, ต, ยตรงนั้นไปอยู่ในข้อแรกแล้วไงเห็นความไม่งามของกาย<อ>ซึ่งมันจะเดินไปสู่การตายอยู่แล้วะนะส่วนตัวเนี้ยมรณะสัญญาเนี่ยมันก็ใช้ได้หมดครอบคุมทั้งขันทั้งห้าถ้าเรามองไปในส่วนของรูปก็คือเห็นรูปในส่วนของการแตกสลายคือทุกขงังแล้วก็พระเจ้าก็เน้นในภายในเมื่อในภายในก็คือเข้ามาสู่นามธรรมะนะ หรือว่าเห็นรูปที่ตายในภายนอกก็จะให้น้อมเข้ามาสู่ในภายในอีกเหมือนกันอ๋อค่ะอันนี้เข้าหลักที่อธิบายธรรมะของพระพุทธองค์หรือเปล่าคะในบทสว่าขาโตในชั้นจำได้ว่ามีการตร่าว ถ, ถึงว่าให้น้อมเข้ามาโภคนะยิ่งโก่โกคือน้อมเข้ามาในตัวค่ะนี่ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งของธรรมะของพระพุทธองค์นะค ะ, ะนี่ก็เป็นบทสรุปของ ทำหประการในการที่จะทําให้คนพ้นจากทุกข์แล้วพระพุทธองค์ใช้ตรัสสอนทั้งคนป่วยและคนธรรมดาคือเป็นมัควิธีที่ง่ายใช้ร่วมกันทีนี้ท่านเนี่ยได้พูดถึงหลายมัควิธีที่พระพุทธองค์สรรเสริญว่าง่ายเช่นละนันทิหรือว่าเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตากับเรื่องของการเจริญอาณาปานสตินะคะบอกว่ามีอานิสงส์มากดิฉันจะกลับไปที่ละนันทิก่ะท่านคะคำว่าละนันทิเนี่ยหมายความถึงอะไร พอท่านบอกว่าหมายความถึงละความเพลินแตฉันก็อยากจะถามต่ออีกนะคะว่าความเพลินคืออะไรที่ท่านให้ละเนี่ยคะความเพลินคือการที่จิตของคนเราเนี่ยผูกกับอารมณ์ไปผูกกับการเห็นกับการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสการรู้อารมณ์ได้ใจหรือพระตถาคตจะเรียกอย่างว่าจิตมีสัญโยคะคือจิตผูกติดกับอารมณ์ได้ไมหน้าแห่งความเพลิน ขณะที่เราเพลินก็เรียกว่าจิตผูกกับอารมณ์ก็เรียกว่าเรามีสาระคา่ะคือพอใจอย่างแรงกล้าในอารมณ์นั้นทีนี้ถ้าหากว่าท่านอธิบายอย่างนี้ <c oughs> ยังไม่เข้าใจ <c oughs> ขออนุญาตให้ท่านช่วยกรุณายกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมนิดได้ไหมคะว่าความเพลินที่เราทั้งหลายมีโอกาสพบปะเจอกัน <c oughs> <ๆ>นั้นเช่นอะไรบ้างก็อย่างายมเล็กนะ่ะ เกิดว่าโยมพูดจาไม่ดีแล้วโยมก็โกรธยมเล็กแล้วโยมก็พูโกรธไปตอนนั้น่ะผ่านไปจนเย็นจนลุ่งขึ้นเช้าก็ยังโกรธยมเล็กอยู่เนี่ยเรียกว่าโยมเนี่ยเพลินต่ออารมณ์อันเป็นปฏิคานุสัยหรือว่าถ้าโยมคมส่งเสริมมาชมโยมโยมก็ดีใจ แล้วยมก็ดีใจอยู่นะเจอโยมอะไรก็โอ้ยเมื่อกี้เขาชมดีฉันนะไปเจอใครก็โอ้ยเขาชมดีฉันนะเรียกว่าพร่ำสรรเสริญนะอันนีจ้จะพัฒนาไปเป็นพร่ำสรรเสริญพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกินรสปทป้าธรรมลมเท่าไหร่คะเท่าฟังท่านเหมือนกับว่าความเพลินเนี่ยจิตไปผูกติดกับอารมณ์ใช่แล้วมีระยะเวลาพอสมควรทีเดียวนะคะข้ามวันเลยกัน ีบางทีถ้ามันป๊ป๊ปแป๊บๆอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าอะไรคะก็เพลินหมดอ่ะอ๋อเหรอคะจะจะช้าจะเร็วจะน้อยจะมากกันนั่นเองนี่คือสรุปแล้วคือความเพลินใช่ยกตัวอย่างในลักษณะนี้อารมณ์ทุกชนิดด้วยใช่ไหมคะทุกชนิดเลยค่ ะ, ะดังนั้นเพลินกับนันทินี่เหมือนกันหมคะเหมือนกันอันเดียวกันคาเดียวกันเพลินและนันทิคือคาเดียวกัน และเพลินในที่นี้คือจิตผูกติดกับอารมณ์ไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์แบบที่เราเข้าใจถ้าเป็นเพลินเพลินความเข้าใจของคนธรรมดาเพลิดเพลินเนี่ยมันจะเชิงบวกไหมคะท่าน uh huh, uh huh. ของพระพุทธองค์เนี่ย uh huh. ความหมายเดียวกับเพลิดเพลิน huh. ด้วยไหมคะไปถึงส่วนเดียวไหมคะส่วนบวกก็ใช่ไหมเพลินเดียวกันใช่หมดใช่หมดนะคะแต่ของพระพุทธองค์เนี่ย เพลินในอารมณ์ที่ไม่ถูกใจ uh huh, ก็ถือว่าเพลินด้วยและ uh huh. อันนี้ก็คือนันทิ uh huh. ที่ต้องละใช่ใชทําไมต้องละนะคะเพราะว่าขณะที่เพลินเนี่ยพระเจ้าบอ ก, กเธอกําลังมีอุปทานพระองค์จึงบอกว่าความเพลินในความเพลินนั่นคืออุปทานทิสุผู้มีอุปทานจะปรลิพนิพานไม่ได้เพราะอุปทานเป็นเหตุให้ภพนั้นมีขึ้นอารมณ์นั่นแหละคือภพคือสถานที่เกิดของจิต เมื่อพบมีชาติชรามรณนนะก็มียมก็จะแก้ปัญหาแก่เจ็บตายได้ได้อ๋ออารมณ์เปรียบได้กับสถานที่เกิดของจิ ต, จตใช่เป็นภพ อ, อารมณ์กับอุปทานเหมือนกันไหมคะอารมณ์เป็นที่ตั้งห่งอุปทานเพราะมีอุปทานเข้าไปจับยึดอารมณ์เลยมีขึ้นสิ่งที่เป็นอารมณ์ก็คือรูปเป็นอารมณ์ เวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์ที่ผู้เจ้าบอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบุญได้วิญญาณอาศัยเวทนาสัญญาสังขารตัดเหมือนกันทั้งหมดใช้เป็นอารมณ์ได้หมดค่ะเท่ากับว่าถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆอารมณ์ เป็นที่ตั้งของขันห้าหรือาอารมณ์เป็นวิญญาณถิติคือฐานที่ตั้งของวิญ ญ, ญาณตัวอารมณ์ญญญใช่ค่ะอารมณ์เป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณแล้วก็ถ้าจิตไปผูกติดกับอารมณ์เมื่อไหร่ถือว่าปัญหาเกิดแล้วใช่ต้องวางต้องละและนี่ก็เป็นหนทางที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์<ม>ทางหนึ่งใช่ไหมคะ ส่วนทางถัดมาค่ะท่านคะแบอบกว่าสอนไว้เรื่องของให้พิจารณาให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรคะเอออ น, นิจจังคือการแปรเปลี่ยนทุกขังคือการดับค่ะอ น, นัตตาคือการไม่ใช่ตัวตนจริงค่ะเป็นตัวตนชั่อข่าว ก็ถ้าแบบว่าในทุกๆสิ่งหรือเปล่าคะที่เราได้พบได้เห็นได้เจอได้เจอได้คิดถึงเราต้องมองทุกสิ่งในโลกนะคะว่าในโลกมีความเป็นอนิจจังคือไม่คงที่แปรเปลี่ยนมีความเป็นทุกขังคือไม่ได้อยู่ตลอดเวลาออืแต่ดับได้อตายได้หมดอายุได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีความเป็นอนัตตาคือคงอยู่เพียงชั่วคราว ก็คือสิ่งที่มันมีขึ้นแล้วมันหายไปเนี่ยค่ะมันจะถูกเรียกว่ามันเป็นอนัตตา ค, คือไม่ใช่มันไม่มีเลยตั้งแต่ต้นนะคะไม่ใช่คําว่าอะแปลว่าไม่มีแต่แปลว่ามันมีการเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันตั้งอยู่เพียงชั่วคราวแล้วมันจะหายไปแล้วก็หายไปนี่ก็คือการที่พระพุทธอ ง, องค์สอนอีกวิธีหนึ่งที่ถือว่าง่ายให้พิจารณาที่เราเรียกกันว่าไตรลักษ์กับอีกอย่างหนึ่งก็คือ ที่ท่านบอกว่าง่ายเป็นสุขวิหารและมีอานิสงส์มากคืออานาปานาสติค่ะอนาปานสติถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆคืออะไรคะท่านคะอน า, าปานาสติคือการนําสติมาอยู่กับลมหายใจของเราสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกได้กลับมาที่ลมหายใจะนะคะก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ย เราได้เรียนรู้จากคําถามของท่านผู้ปฏิบัติที่จากกรมส่งเสริมป ร, รมะชาคมเลยได้คําตอบที่ท่านอาจารย์ให้ไว้ดิฉันว่าล้าค่ามากนะคะเพราะว่าท่านทั้งหลายสามารถที่จะเลือกปฏิบัติกันได้ตามอัธยาศัยเนื่องจากพระพุทธองค์การันตีใช่ไหมคะว่าทุกวิธีนี้ง่ายหมดง่ายง่ายหมดค่ะก็สุดแท้แต่ว่าท่านนั้นจะเห็นว่าวิธีใดที่เหมาะกับท่านขอให้รอไปปฏิบัติก็แล้วกันนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เ, เป็นเรื่องของการ พ้นจากความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกอะไรนี่พ้นได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะได้หมดค่ะนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ในก่อนที่จะจากไปในวันนี้ดิฉันก็จะได้อ่านพุทธวัจนะซึ่งเราถือว่าเป็นสุดยอดของทรัท์ที่เราควรจะได้รับแล้วนะคะในการที่จะเข้าถึงพุทธวจนะพระพุธองได้ตรัสว่าการเข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอโดยเป็นการตรัสกับคำอันนี้นะคะว่าเพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักปดเดี่ยวนั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานค่ะท่านผู้ชมคะแล้ววันนี้เราก็ได้เวลาที่จะนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์คึกฤทธิ์สดทิพโลพร้อมๆกันแล้วค่ะ สุดสีมณีคุณนะคะดิฉันได้รู้จักวัดนาป่าพงเมื่อประมาณปลายปี2551ไปถึงวัดครั้งแรกก็เกิดความรู้สึกประทับใจเพราะว่าในใจเราเราชอบวัดที่มีความสงบวิเวกวัตถุไม่ต้องปรุงแต่งเยอะพอไปถึงครั้งแรกเห็นสถานที่ก็ประทับใจเลยพอเดินเดินมาถึงมาฟังธรรมะผ้าอาจารย์ที่อาจารย์ได้เทศยิ่งประทับใจยิ่งกว่าเพราะสิ่งที่อาจารย์สอนเป็นสิ่งที่แปลกหูไม่ชินหูกับเราเลยครั้งแรกอาจารย์พูดถึง พุทธวจนะคืออะไรทำไมเราต้องมาศึกษาพุทธวจนะครั้งแรกอาจารย์พูดถึงตอนพระสูตรบทหนึง่งที่กล่าวถึงกษัตริย์กษัตริย์กระสาลหะซึ่งตีกองแล้วตีกองจนแตกไปแตกไปแล้วก็ต้องเอาเนื้อไม้ใหม่ใส่เข้าไปก็เปรียบเหมือนกับธรรมะของพระเจ้าซึ่งแต่เดิมเป็นของแท้แต่พอเวลาผ่านไปนานๆการ เวลาเปลี่ยนแปลงธรรมะมุทิเจ้าก็ใส่ลิมใหม่เอาความคิดเห็นใหม่ของทั้งพระและคารวาะที่แม้แต่ตรงนี้ก็จะเขียนหนังสือแข่ง ก, กันกับพระเนี่ยค่ะทําให้เราสับสนมากเมื่อก่อนก็อยากหาที่ปฏิบัตินะคะว่าปฏิบัติยังไงสับสนมากพอมาเจอพุทธวจนะอาจารย์บอกว่าพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นี่แหละธรรมะแท้บรรพฐานตั้งแต่นั้นมากก็เลยลงใจมากว่าไม่เอาแล้วที่อื่นอ่านแล้วงงมาเอาศึกษาพุทธวจนะดีกว่า สิ่งนี้แหละจะเป็นเส้นทางที่นำเราไปถึงกระแสเพราะจิตใจของเราตั้งไว้ก็คือมุ่งตรงรัดตัดสั้นสุดเพื่อความไม่เกิดไม่แก่นั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่ทำให้ประทับใจที่วัดนาแล้วก็เลยมาเป็นประจำแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์คือกลิศค่ะ ท่านชมคะวันนี้ท่านจะได้หนทางที่เป็นหนทางเดียวก็จริงแต่มีหลายวิธีนะคะก็คือมักมีองค์แปดที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ให้เป็นแนวทางสำหรับพวกเราจะยึดถือปฏิบัติแล้วก็จะได้ออกจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงเนี่ยแต่ด้วยหลากหลายวิธีแล้วก็รวบรวมมาโดยวิธีที่ง่ายๆทั้งนั้นเลย ทำให้เกิดกำลังใจที่จะนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันมากยิ่งขึ้นนะคะดิฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความเพียรมีความตั้งใจนะคะที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันและชีวิตของท่านจะพบกับความสวัสดีค่ะวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะพุทธสวัสดีค่ะก็ขอให้ผู้ชมรายการพระเจ้ า, จ น, า น, นี่ เป็นผู้มีความเจริญจ้าหน้าในชีวิตนะคิดว่างสิ่งใดขอให้สําเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างสินที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายนะและทําความลีกเล้นหรือสุญญาคารวัให้งอกงามกมายเป็นผู้มีกําลังนะคือมีกําลังสติ กำลังศรัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสําเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนาขอให้มีความภาคเพียรบากบัดมั่นคงไม่ทออทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจําเป็นทั้งหลายนะขอให้มีสุขภาพพล า, านามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปราลกความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรกผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นสมบูรณมรกผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน